เชา้าอาจารย์สุรินได้พูดถึงพระกุมารกัสปะซึ่งเป็นพระอรหันต์แล้วก็ท่านมีความปรารถนาดีนะกับโยมแม่ซึ่งเป็นภิกษุณีทั้งสองคนนี่ก็เรียกว่าพากันพากจากกันตั้งแต่พระกุมารกัสปะยังเล็กพ ร, พระเจ้าปเสนที่ก่อสนก็รับไปเลี้ยง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 มาทำอะไรอยู่ยังไม่รู้จักตัดใจ แ, แม่นี่ก็คิดมาตลอดว่าลูกเนี่ยจะห่วงจะนึกถึงแม่แต่พอลูกพูดแบบนี้เขาก็เสียใจผิดหลังว่าลูกนี่ไม่มีเยื่อใยกับแม่เลยเสียใจมากแต่ก็ทำให้ตัดใจได้แล้วก็ทำให้หันมาบําเพนเพียน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 ก็มีชันนาเนี่ยกับม้ากันทกะเนี่ยออกจากวังไปด้วยกันและเมื่อพระเจ้ า, าได้เสด็จกลับกรุงกบิลพัทเนี่ชันนาเนี่ก็บวชพร้อมกับพระญาติจํานวนมากรวมทั้งพระอานนท์พระเทวทัตนพระปัทยาพระอนุรุทธะส่วนใหญ่ทุกท่านที่กล่าวมาแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ในเวลาไม่นานยกเว้นพระเทวทัต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 ลงโทษก็หลายครั้งเพราะว่าดื้อดึงนะทำผิดพระวิ น, นัยบางครั้งก็ถูกห้าไม่ให้ให้ันกับพระด้วยกันเรียกว่าโดนโทษโอุเคปนิยกรรมก็เป็นโทษชนิดหนึ่งนะแม้ขน้นพระช น, นัก็ไม่สำนึกนะสำนึกชั่วคราวแล้วก็กลับมามีพฤติกรรมแบบเดิม พระพุทธเจ้านี่ปรับอาบัติหลายครั้งก็ไม่ได้ผลนะจนกระทั่งก่อนที่พระพุทธเจ้านี่จะปรินิพพานนี่พระชันนะนี่ก็กล่าวจวงจากพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าก็เลยฝากฝังพระอานนท์ว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วขอให้สงเนี่ยลงพรหมทันลงพรหมทันพระชนน์นะพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็พระอานนท์ก็ทําตาม อันนี้เป็นคำสั่งสุดท้ายคำถังท้ายๆในของพระพุทธเจ้าให้หลวงพรมทันพระชันนะพระนวนก็เดินทางไปยังเมืองโกสัมพีโกสัมพีนี่เป็นเมืองที่มีพระเด็ดๆ เ, เยอะนะไปถึงก็ไปหาพระชันนะรู้จักกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กแล้วนะสองท่านเนี่ยแล้วก็ถึงตอนนั้นก็อายุ80กันทั้งคู่ แต่พระชันน้านี่ก็ยังยังไม่มีไม่มีความที่จะรู้สึกสำนึกผิดเลยพระนุ่นก็บอกว่าเนี่ยสงลงพรหมทันแล้วพระชันนะถามว่าพรหมทันคืออะไรว่าอันนก็ตอบว่าเนี่ยก็คือพาทั้งหลายทั้งสงทั้งคณะที่ไม่ไม่พูดไม่คุยไม่แนะนำสั่งสอนก็เรียกว่าเหมือนกับภาษาสมัยใหม่เรียกว่าบอยคอร์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 อันนี้ก็เรื่องราค่ากับภิกษุณีที่เป็นมารดาของพระกุมารกสปะนะคือต้องเจอทุกข์นะต้องเจอสิ่งที่มากระแทกใจทําให้เกิดความทุกข์ใจทําให้เกิดความผิดหวังทําให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวด ถ, ถึงจะหันเข้าหาธรรมะให้ความทุกข์นี่มันมีประโยชน์นะมีพระอหรหันต์หลายท่านท่านบรรลุธรรมแล้ก็เพราะความทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอ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 แต่ว่าพอเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ได้พูดจาเาพูดให้พูดเตือนสติสะกิดใจให้เห็นว่าสังขารมันเป็นทุกข์อย่างไรบ้างการเกิดเป็นทุกข์อย่างไรบ้างนะความทุกข์ก็คือความสูญเสียพัดพรากจากคนรักของรักนะ้นําตาที่เกิดจากความเศร้าโศกเสียใจชาติแล้วชาติเรานี่รวมกันแล้วนี่มันเท่าเท่ากับมหาสมุทรเลยนะ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 ลูกกำลังน่ารักนะต้องมาตายอย่างปัจจุบันทันด่วนทำใจไม่ได้นะุุ่้มศพลูกไปให้ใครช่วยก็ไม่มีใครช่วยได้ก็คงมีแต่ผู้ทธเจ้านะเรื่องนี้สรุปง่ายๆนะตัดให้สั้นลงก็คือว่าในที่สุดนะูดเจ้าก็ได้พูดสอนให้นางเดตนักว่าเนี่ยไอ้ความความตายเป็นธรรมดานะของของ ของชีวิตนะถ้าไปยึดติดถือมั่นในใครก็ตามนี่ก็จะถูกความตายนี่มันท่วมทับเอาท่านก็เปรียบเหมือนกับว่าน้ําป่าเนี่ยย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลพัดพาเอาชีวิตของผู้ที่หลับไหลชั้นใดนะพญามัจุราชก็พัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกในคนรักในทรัพย์สมบัติชั้นนั้นนางกิศาโคติมีก็บรรลุธรรมเลยคือถ้าเราแค่ฟัง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 ก็คือเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายในในชีวิตของตนแม้ว่าจะพั่งพร้อมบริบูรณ์ได้วัตถุนะรวมทั้งความสุขความเพลิดเพลินในทางกลางแต่ก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาโดยเพราะนะตอนสุดท้ายก็คือตอนที่ได้เห็นนางสนมกำนันหญิงรับใช้นี่นอนก่ายกันที่เคยเห็นสวยงามในเวลาไรายรำ ขับกล่อมดนตรีแต่พอนอนหลับแล้วอนอนกายกันนะในปติบอดกก็ว่าเหมือนกันบซากศพเลยนะคือนอนกายกันไม่เป็นระเบียบบางคนก็น้ำลายยืดบางคนก็อทําท่านี่ดูไม่นั่งไม่งดงามเท่าไหร่จฉันจะสกุลรูปก็รู้สึกเลยนะว่าโอ้เบื่อเดินออกจากบ้านไปเลยนะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องเนอ บนไปอย่างงี้แหละแต่ว่าพอเจอพระเจ้านะที่ป่าศิรปตนะเบลกัตไธยวันโครงแสดงธรรมไม่นานนะยัสกุลระบุตก็อาทัานยัสกุลบุตก็บรบรลุ ธ, ธรรมในพระโสดาบัน น, นี้พราะมีความเบือ่อความหน่ายนะความไม่สมหวังเป็นตัวผลักดรนน้อยนะที่จะที่จะบรรลุธรรมได้แบบสบายสบายหรือว่าแบบที่อ่ายิ่งถ้ามีความสุขความเพลิดเพลิน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 มันช่วยอะไรไม่ได้เลยมีหมอคนนึงซึ่งมาผันตัวเป็นนักธุรกิจตั้งแต่ยังสาวมาทาธุรกิจกับสามีก็ประสบความสาเร็จพอสมควรนะรวยนะมีเงินซื้อเพชรซื้อพลอยกิจการก็ข ย, ยายใหญ่โตสินทรัพย์ก็คงเป็นร้อยล้านหรือหลายร้อยล้านแล้ววันหนึ่งก็พบว่าสามีเขาขอหย่าอายุก็ยังไม่ได้มากกันเท่าไหร่เลย30กว่า ฝ่ายผู้หญิงนี่เสียใจมากนะผิดหวังกลุ้มอกกุ้มใจแม้ว่าตัวนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นความรู้สึกแล้วว่าตัวนี้ไม่เหลืออะไรเลยทั้งที่มีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองมีเพชรนินจินดาแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองนี่ไม่มีค่านันเธอเล่าว่าสมัยก่อนนี่ก่อนที่ยังประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเวลาเอาเพชรเอาพลอยมา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 แล้ววันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าท่านตั้งที่ชาวบ้านเตือแล้วนะแต่ท่านก็ข ย, ยันเข้าไปแล้วก็ปรากว่าไปเจอเสือไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะเสือสองตัวเลยอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังอท่านหนีไปไหนไม่ได้เลยนะแล้วก็ห่างแค่วาเศษว่าเศษก็แค่สองเมตรนั่นเองใกล้ๆพอๆกับหรือใกล้กับเสาอีกนะเสาหนี้ห่างกันประมาณสามเมตรเสือนี่มันสองตัวนะข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ ตัวใหญ่มากถ้านบอกวเนี่ยหัวของมันเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสี่สิบเซนนะก็คือฟุตกว่าแค่หัวนะตัวใหญ่มากตอนนั้นกลัวสุดขีดเลยนะกลัวสุดขีดจนแข็งทื่อเลยยืนอยู่เฉยๆเนี่ยวิ่งไปไหนไม่ได้แล้วก็วิ่งไม่ได้ด้วยตัวแข็งทื่อเลยจะ่สักพักได้สติขึ้นมาพอได้สติเนี่ยจิตมันก็น้อมเข้าไหน จิตนี่มันไม่ส่งออกนอกนะส่งออกนอกไปนี่ไปเจอเสือก็าวาจิตนี้ก็น้อมเข้ามาข้างในมาอยู่กับลมหายใจให้ความกลัวนี้มันบังคับมันเป็นตัวบังคับกดดันให้จิตนี้กลับมาแนบน่นอยู่กับลมหายใจได้ดีมากเพรากว่าไม่ไม่นานจิตก็เป็นสมาธินะจิตเป็นสมาธิแล้วก็สงบเย็นอยู่เป็นเวลานาน ท่านไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเปิดตาอีกทีมันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วหลายชั่วโมงทีเดียวนะท่านบอก้นะท่านสงบนะเป็นสมาธิเนี่ยอยู่ในท่ายืนนะสะพายบาตรนะถือสะพายบาตรถือมออ่าเรียกาการน้ำแล้วก็อุปกรณ์ทุดดงเนี่ยพร้อม แต่ว่าเสือหายไปแล้วท่านก็ได้รู้แล้วโอ้โจิตของเรานี่มันสามารถจะเป็นสมาธิได้แน่วแน่มากก็เพราะนิสงของความกลัวนะครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็ประสบใช่มีประสบการณ์รอย่างเดียวกันนะอย่างหลวงพ่อชยนะัยเจอเสือเป็นกัรในขาที่กําลังนั่งนั่งภาวนากลางค่ำกลางคืนประสบการณ์ของปฏิกิริยาของจิตก็เหมือนกันนะ พอมาร่วมมีแผนอันตรายข้างนอกแล้วหนีไม่ได้ในจิตมันเพ่งเข้าในมันกลับเข้ามามันย้อนกลับเข้ามาข้างในแนบแน่นอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทธโธก็สงบได้ดัง น, นั้นอันนี้ท่านก็จะเห็นนะว่าความกลัวก็มีประโยชน์นความยากลําบากก็มีคุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอความยากลําบากนีนะ่ก็อย่าไปอย่าไปกลัวเจอความทุกข์ก็อย่าเพิ่งไปผักใส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 สนใจที่จะมาหาพระพุทธเจ้าจกนกระทั่งลูกตายมีคนแนะนำว่ามาหาพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้าช่วยได้เธอถึงมาคนที่เสียลูกไปอย่างที่เล่าเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้สนใจธรรมะมาก่อนแต่พอเสียลูกพระอุปัติเหตุก็พอมีคนแนะนำก็เลยเข้ามามาปฏิบัติธรรมจนพบความสุขจนพบความสงบเย็น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 เข้ามาที่จัดเดินธรรมญาตราทุกปีทุกปีเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดนรงสิ่งแวดล้อมอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการปฏิบัตินะคือให้เนี่ให้ผู้เดินเนี่ยได้ไปเจอความทุกข์นะความทุกข์จากอากาศร้อ น, นจากความหิวจากระยะทางที่ไกลจากชุมชนผู้คนที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะ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 พอเจอทุกแบบลมสลาตันหรือพายุนี่เอาไม่อยู่ทําใจไม่ได้เสียผู้เสียคนกันมากมายค่าตัวตายกัเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะเราไม่กลัวทุกเราก็ฝึกใจรับมือความทุกข์ความทุกข์ถ้ามัญหามันมาหาเราก็ดีเราไม่หนีมันแต่ถ้ามันไม่มาเลยนะเราก็ต้องเข้าไปหามันบ้างแหละเหมือนว่าจะ จะเอาลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือนะอันนี้ภาษาจีนอยากจะได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือนะอยากได้ลูกเสือไม่เข้าถ้ำเสือกลัวมันก็ไม่ได้เมื่อตอนเย็นนี่ก็มีนะชายหนุ่มคนหนึ่งก็คุ้นเคยกันก็มาหามาเยี่ยมเจ้าก็ยอมรับมั้ว่ายังมีความความหลงความเพื่อเพลินในการมาสุขอยู่นะอยากกินอาหารที่อร่อยฟังเพลงเพราะ อยากใส่เสื้อผ้าสวยๆนะแกถามว่ามันผิดไหมก็ตอบว่าไม่ผิดหรอกนะถ้าหากว่าฟังเพลงก็ดีนะไปกินอาหารอร่อยๆก็ดีในเวลาที่ไม่ใช่งานการนะ น, ะนอกเวลางานการนะทำอย่างงั้นไม่ผิดหรอกนะแต่ว่ามันอาจจะมันอาจจะไม่ใช่ สิ่งที่จะให้ความสุขกับเราแดางแท้จริงก็บอกเข้าไปนะว่าเนี่ยอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะเนี่ยนะตอนเนี้ยมันอร่อยเพลงก็เพราะมีความสุขแต่ถึงวันหนึ่งพอว่าตูเองเป็นมะเร็งเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยกินอาหารหรูอาหารเหลาแค่ไหนก็ไม่อร่อยแล้ะฟังเพลงยังไงก็ไม่เพราะละเพราะว่าใจเนี่ยมันไม่ไปละใจมันหดหูมันเศร้ามันกลัว นะเสื้อผ้าที่เสื้อผ้าที่สวยนะก็ไม่ได้ช่วยทำให้หายทุกจากความเจ็บป่วยเพราะเป็นมะเร็งได้ถึงตอนนั้นถึงจะรู้ว่าไอ้กามาสุขที่เสีที่ลงไหลเนะี่ยมันมีข้อจำกัดนะก็เหมือนกับผู้หญิงที่เป็นหมอแล้วก็กลายเป็นนักธุรกิจแล้วก็ร่ำรวยจากธุรกิจนะตอนที่มีความสุขดูเพล็ดมันก็สวยดี มีความสุขอิ่มเอิบใจแต่พ อ, อสามีทิ้งนะเพชรนี่มันไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยทำให้มีความสุขแล้วมันมีค่าเสมอกับหินหรือกรวดธรรมดาต้นเองคนเราเนี่ยพอเจอทุกข์ที่เป็นของจริงนะเช่นความสูญเสือหรือความเจ็บป่วยนี่ถึงจะรู้ว่าไอ้ทรัพย์สมบัติหรือว่าการมาสุขที่หลงไหลเนี่ยที่ให้เพื่อเพลินเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้นะ นอกจากช่วยไม่ได้แล้วนะบางทีมตัวมันเองอทำให้เป็นทุกข์นะเช่นเพิดเพลิน <ๆ S 1> ในรถ ด, ดีใจที่มีความสุขกัการขับรถซื้อรถราคาแพงๆแต่แล้ววันหนึ่งรถถูกขโมยไปหรือว่ารถนะมันเกิดถูกยึดไปเนี่ยไอความดีใจความสุขมันกลายเป็นความทุกข์ความเสียใจไปเลยนะ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 มันต้องหาสิ่งที่ดีกว่านะั้นคือความสุขที่ประเนีหรือความสุขจากใจที่สงบซึ่งสติสำคัญมากคำนี้ก็พูดกันเท่านี้น ะ, ะกราบพะ